เมื่อว่าโดยสรุปวิมุตติตามความหมายอย่างกว้างหรือหลุมหลวมนั้นจัดได้เป็นสองพวกคือ 1. สําสำหรับความหมายขั้นสูงสุดนิยมเติมคำวิเศษลงข้างหน้าวิมุตติเป็นอากุปปาวิมุตติคือวิมุตติที่ไม่กำเริบคือไม่กลับกลายหรือไม่เสื่อมถอยอากุปปาเจโตวิมุตติ เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบอสศมิยะวิมุตติความหลุดพ้นที่ไม่ขึ้นต่อสมัยหรือไม่ชั่วกราวคือยั่งยืนตลอดไปอสามายิกาเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติที่ไม่ขึ้นต่อสมัยทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงอริยผลโดยเฉพาะอารหัตผล รงกับความหมายขั้นสุดท้ายที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเป็นโลกุตระวิมุติอากุ ป, ปาวิมุติและอากุปปาเจโตวิมุติใช้แทนกันได้มีที่มามากมายระไตปิดกบาลีฉบับอักษรไทยเป็นอกุ ป, ปาวิมุติฉบับอื่นโดยเฉพาะฉบับอักษรโรมัน เป็นอกุปาเจโตวิมุตติก็หลายแห่งที่เป็นอกุปาวิมุตติตรงกันก็มีที่เป็นอกุปปาเจโตวิมุตติตรงกันก็มีคำว่าอาสมัยาวิมุตติในที่นี้ณที่มานี้คือจากมัชฌิมันิกายมูลปันนาใช้คำว่าอาสมัยาวิโมกเป็นไวโพจน์ของอสมัยาวิมุตติด้วย บางแห่งใช้กับบุคคลเป็นอาสมยวิมุตตะเช่นในอังคุตระนิกายเอากาทศกะนิบาตในอัธกถาอธิบายอาสามายิกะวิมุตติเป็นอาสามายิกะวิโมกได้แก่มรรคทั้งสี่และผลทั้งสี่พึงสังเกตคำว่าอากุปปา ที่ท่านเติมเข้าข้างหน้าวิมุตติและเจโตวิมุตติให้เป็นอากุปปาวิมุตติและอากุปปาเจโตวิมุตตินั้นก็เพื่อเน้นความให้ชัดว่าเป็นวิมุตติขั้นสุดท้ายที่เด็ดขาดทั้งนี้เพราะคําว่าวิมุตติบางคราวไม่แน่นอนท่านใช้ในความหมายหลวมๆหมายถึงความหลุดพ้นขั้นต่ำลงไปก็มีบ้าง ส่วนคำว่าเจโตวิมุตติยิ่งเบาลงไปกว่านั้นอีกเพราะเจโตวิมุตติอย่างเดียวจะหมายถึงวิมุตติขั้นเด็ดขาดไม่ได้เลยการเติมคําว่าอากุปปาลงไปให้แปลว่าเจโตวิมุตติที่ไม่กําเริบก็เท่ากับพูดว่าเจโตวิมุตติในที่นี้หมายถึงเจโตวิมุตติขั้นเด็ดขาดที่มีปัญญาวิมุตติเกิดขึ้นด้วยแล้ว จึงเป็นเจโตวิมุตติที่ไม่กลับเสื่อมได้อีกดังนั้นแม้จะไม่ระบุ ค, คำว่าปัญญาวิมุตติไว้ก็พึงทราบว่าคลุมความถึงปัญญาวิมุตติรวมอยู่ด้วยแม้คำว่าอสาสมายิกะในอสาสมายิกะเจโตวิมุตติก็พึงเข้าใจอย่างเดียวกัน มีเจโตวิมุตติชื่อเฉพาะอย่างหนึ่งที่อยู่ในขั้นโล ก, กุตระนี้ด้วยคืออันนี้มีตาเจโตวิมุตติซึ่งได้แก่พละสมาบัติผลสมาบัติของพระอริยบุคคลทั้งหลายกล่าวคือการที่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหรันต เข้าสมาธิสวยรถแห่งการบรรลุธรรมในระดับของตนของตนในเวลาใดก็ตามที่ท่านต้องการพักอยู่สบายสบายในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมสุขวิหารพูดอีกอย่างว่าเพื่อสวยอริยะโลกุจราสุขที่เรียกว่าอ น, นิมิตาเจโตวิมุตติคือเจโตวิมุตติที่ไร้นิมิตรหรือมีภาวะไร้นิมิตเป็นอารมณ์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 สสำหรับความหมายขั้นต่ำลงมาซึ่งมีหลายระดับท่านเรียกรวมๆโดยใช้คำว่าเจโตวิมุตติแต่ลําพังคำเดียวล้วนบ้างใช้ว่าสามายิกะเจโตวิมุตติหรือสามายิกะวิมุตติหรือสมยวิมุตติคือความหลุดพ้นแห่งจิตชั่วสมัยคือชั่วครั้งชั่วราวบ้างคำเหล่านี้ คลุมถึงวิมุติขั้นต่ำลงมาทั้งหมดซึ่งจัดเป็นโลกิยะวิมุติทั้งสิน้นวิมุติขั้นต่ำลงมานี้ท่านมาแสดงความหมายด้วยคำว่าอธิมุติหรือใช้อธิมุติเป็นไวโพ์คือหมายถึงภาวะที่จิตน้อมดิ่งไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนทาให้พ้นจากกิเลสพ้นจากสิ่งรบกวน หรือสิ่งที่เป็นปฏิปากชั่วกราวตลอดเวลาที่อยู่ในภาวะนั้นเช่นจิตน้อมดิ่งไปในอารมณ์ของฌานจนพ้นจากนิวรณทั้งหลายเป็นต้นวิมุตติที่ใช้ในความหมายว่าอธิมุตตินี้ใช้ได้แม้กับนิพานคือการน้อมจิตไปยังนิพานหรือคำนึงนิพานเป็นอารมณ์ซึ่งอาจเป็นกิริยาของปุถุชน หรือพระอริยะบุคคลทั้งหลายหรือแม้แต่พระอรหันต์ก็ได้ในอภิธรรมปิดกธรรมสังคณีท่านแสดงความหมายของวิมุติว่ามีสองอย่างคือจิตตัสสะอธิมุตติความน้อมดิ่งของจิตและนิพพานอัตถกถาอธิบายว่า ความน้อมดิ่งของจิตหมายถึงสมาบัติแปดเพราะน้อมดิ่งไปในอารมณ์และเพราะพ้นอย่างดีจากธรรมะที่เป็นข้าศึกทั้งหลายแต่ในขุตการนิกายจุลนิเทศผ่อนความหมายที่ว่าใจน้อมดิ่งนี้ลงไปถึงน้อมดิ่งไปในรูปเสียงกลิ่นรสยศสุขจีวรบินทบาทในพระวินยัยสูตรอภิธรรมเป็นต้น ความหมายหลักหรือความหมายมาตรฐานของสามายิกะเจโตวิมุตติก็คือโลกิยาสมาบัตทั้ง8อันได้แก่รูปประชานสีและอรูปปัจานสีปุตุชนจะได้เจโตวิมุตติอย่างสูงก็เพียงขั้นนี้เท่านั้นบางคราวเพื่อเจาะจงว่าเป็นเจโตวิมุตติขั้นสมาบัตแปดนี้ท่านเติมคำว่า สันตะซึ่งแปลว่าสงบปราณีตละเอียดลงไปกำกับเป็นสันตะเจโตวิมุตติย่อนจากนั้นลงมาสามายิกะเจโตวิมุตติหรือสามายิกะวิมุตติมีความหมายกว้างมากคือหมายถึงภาวะที่จิตน้อมดิ่งไปในสิ่งที่ศรัทธา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 ตามกฎธรรมดาของกระบวนรธรรมะคืออิทัปปจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทภาวะจิตเช่นนี้เป็นความหลุดพ้นอย่างหนึ่งเพราะมีกำลังเหนือกว่าพ้นจากอำนาจของธรรมะฝ่ายตรงข้ามที่จะมาขัดขวางรบกวนท่านเรียกว่าหลุดพ้นจากปัจจนีกรรมคือธรรมะที่เป็นข้าศึก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 ตามหลักฐานในคมภีแม้แต่ความคิดฝ่ายนิยมที่จะอยู่ป่าความบันดาลใจเกิดปิติปราโมทใจโลดไปเมื่อได้ฟังธรรมกถาบางเรื่องในบางคราวก็จัดเป็นเจโตวิมุต ต, มติประเภทนี้ท่านว่าเจโตวิมุตติประเภทนี้บางอย่างเป็นเหตุให้อากุศลธรรมเจริญงอกงามขึ้นก็มี ซึ่งคงจะเป็นวิมุตติประเภทนี้นั่นเองที่ท่านจัดเป็นมิจฉาวิมุตติในมิจฉ า, าสิบเจโตวิมุตติบางอย่างในที่นี้คือสามายิกะเจโตวิมุตติมีชื่อเรียกที่ท่านกำหนดไว้โดยเฉพาะตามสิ่งที่ให้จิตกำหนดเป็นอารมณ์หรือสิ่งที่จิตน้อมดิงเข้าไปนั้น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 เกิดอปปนาสมาธิเป็นฌานพ้นจากกิเลสจำพวกนิวรณ์และพ้นจากอากุศลที่เป็นคู่ปรับของอปปมัญญาข้อนั้นๆคือเมตตาเจโตวิมุตติเป็นอิสระจากพยาบาทกรุณาเจโตวิมุตติเป็นอิสระจากวิหิงสาคือการเบียดเบียนมุทิตาเจโตวิมุตติเป็นอิสระจากความริษยา เบกขาเจโตวิมุตติเป็นอิสระจากราคาเจโตวิมุตติชื่อเฉพาะอย่างอื่นที่ท่านกล่าวถึงบ้างเล็กน้อยคือสุญยะตาเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติที่อาศัยวิปัสสนากำหนดพิจารณาให้เห็นภาวะที่สังขารทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าจากอัตตาคือตัวตนและอัตตนิยะ คือสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนอากินจัญญาเจโตวิมุตติได้แก่อากินจัญญายตนะอรูปฌานและมหคตาเจโตวิมุตติการแผ่ชานจิตน้อมดิ่งไปในนิมิตแห่งกะสินที่กำหนดครอบบริเวณสถานที่อันหนึ่งกว้างขวางเท่าใดสุดแต่จะน้อมใจไป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 จึงเห็นได้ว่าเข้าในความหมายอย่างกว้า ง, างของเจโตวิมุตติขั้นหนึ่งหรือรูปหนึ่งเหมือนกันในที่นี้ความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพานดูบันทึกพิเศษท้ายบท